เรีอยภาคใบก็เป็นช่วงเน้นภาคปฏิบัตินะแล้ว เ, เอาสิ่งที่เราได้ไดยินได้ฟังเนาะเอาไปทำการได้ยินได้ฟังนี่เรียกว่าปริยัตินะปริยัติไม่ใช่ว่าจาเป็นต้องไปเรียนหลักสูตรนะที่ทางมห า, าลัยหรือโรงเรียนวัดต่างๆสอน ปริยัติก็คือเนี่ยแหละนะได้ยินได้ฟังวิธีการที่จะเอาไปปฏิบัตินะในคว่ามปริยัตินะนะเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอาไปทำนะเรียกว่าปฏิบัติทําแล้วมันเกิดผลอย่างไรแบบนี้เนาะเกิดผลอย่างไรเกิดผลแล้วสงสัยผ่านได้ไหมนะหรือว่า ได้คำตอบนะจากการที่เราได้ประสบพบเจอนะแก่แบบนี้เป็นแบบนี้นะเราเราอาศัยเหมือนเป็นการเรียนรู้เนาะเรียนรู้ประสบการณ์เจอนิ้บอลเลยนะเจอความง่วงเจอความฟุ้งซ่านเจอความสงสัยเจอความคิดทางดีความคิดทางไม่ดีนะผ่านได้ไหม คำว่าผ่านได้นี่ไม่จะเป็นว่ามันจะต้องไม่มีอีกนะนะคำว่าผ่านได้คือเราเห็นมันไหมนะหรือเราเข้าไปจมกับมันนะเวลามันง่วงเวลามันง่วงแบบเนี้นะเรายกมือต่อได้ไหมเดินต่อได้ไหมเนะี่ยถ้ายังเดินต่อได้นะยกมือต่อได้ง่วงอยู่ไม่เป็นไรนะให้ดูมันนะดูว่า กายมันง่วงนะ่ะหรือว่าใจมันง่วงนะ่นะน่ะเราก็แต่เราก็ยังเดินอยู่นะเรายังสร้างสติอยู่ง่วงก็อันหนึง่งสติที่รู้ตัวอยู่ก็อันหนึง่งนะ่ะตัวแบบนี้แยกไปไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ง่วงหายถึงจะดีแบบนี้เนาะสงสัยก็เหมือนกันนะ่ะรู้ว่าสงสัยอ่ะไม่เป็นไรอ่าแต่เราไม่ไปคิดหาคําตอบให้กับมันเนาะนะ รู้ว่าใจมันสงสัยนะแล้วก็ดูไปดูว่าสงสัยมันมันสงสัยตลอดเวลาไหมสงสัยมันหายไปบ้างเปล่าหรือว่าสงสัยตลอดเวลาก็ดูแบบนั้ความคิดก็เหมือนกันนะนะคิดดีคิดไม่ดีนะือฟุ้งซ่านก็เหมือนกันดูว่ามันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมันดับไปนะมันเกิดใหม่มันดับอีกเลยเนี้ยก็ดูมันแบบนี้ก็ได้ เราก็ดูมันแยกนะนิวรณนก็อันหนึ่งนะสติที่รู้ทันนิวรณ์ก็อันหนึ่งนะหรือแยกตันนี้ก็อาการอันนี้อาการของกายอันหนึ่งนะอาการของใจอันหนึ่งนะหรืออะไรเช่นอาการกายมันง่วงนะอาการใจคืออะไรอยากสนองความง่วงนี่คืออาการของใจนะกายมันง่วงนะใจมันอยากสนองนะอันนี้คือ หรื อ, อาการอาการของใจเช่ไนไรใจมันสงสัยนะพอสงสัยมันบางทีอาการกายไม่อยากปฏิบัตินะอยากจะอยากหยุดอยากจะคิดนะอยากหาคําตอบกับความสงสัยนั้นนีนะ่นน่ะมันก็เห็นแบบนี้นะดูดูไปอาการปวดเมื่อเยเกิดขึ้นมานะกายมันปวดกายมันเจ็บกายมันเป็นทุกข์ ใจเราเป็นยังไงนะใจเรารู้เฉยๆหรือว่าใจเราก็กังวลเนาะบางคนก็กังวลนะกลัวกลัวมันเจ็บ <c oughs> มากกว่านี้กลัวไม่สบายกลัวนั่นกลัวนี่นะ <c oughs> เห็นใจเราปรุงไปร่วงหน้าไหมแบบเนี้ยดูนะเราก็จะค่อยๆแยกค่อยๆเห็นว่าเออกายก็อันหนึง่งใจก็อันนึงที่มันคิดไปร่วงหน้าวิตกอันนึงนะ ที่มันเกิดขึ้นจริงตอนนี้อันหนึง่งแก็ฝึกดูแบบนี้นไปเรื่อยเนาะก็ออเอาลองเรียนรู้ดูนะแต่ก็อาศัยว่าเราเห็นมันนะมีสติเป็นผู้ดูนะดูทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นนะเพราะทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นล้วนแสดงความจริงสิ่งเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เนะแต่ถ้าเราสติเราไม่เป็นต่างมันจะคิดเมื่อใ่จะดับไปนะหรือคิดอีกอย่างไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะนี่คือถ้าใจไม่เป็นตางาอย่างี้อะไรที่มันไม่ชอบเราก็อยากให้มันดับไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรที่เราชอบเราก็อยากจะรักษาไว้ประคองไว้นะให้มันอยู่นานๆเนะีนะ่ยเราดูมันว่า สติมันรู้แล้วมันวางไหมนะเราฝึกรู้แบบเนี้เหมือนเราฝึกดู้รู้ก็จบนะคือทั้งรู้แล้วก็จบพร้อมๆกันเลยนะเหมือนเราฝึกบมันเป็นครั้งมันมันจบของมันสมมูติแบบในตัวนึงรู้รูจบรู้ตัดทีละตัว แล้วก็ความรู้ตัวนี้มันก็มันก็ใหม่นะมันก็ใหม่มันก็สดมันก็เป็นปัจจุบันที่ละขณะเี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ที่ปัจจุบันนะเวลาเราเดินหรือยกมือเนี่ยมันจะรู้สึกเลยได้ว่ามันเนี่ยของจริงมันใหม่ๆม่มันสดสดตรงนี้แหละอดีตหรืออนาคตมันไม่ใช่ของจริงนะที่คิดกังวลอนาคตก็ไม่ใช่กังวลที่อนาคตนะ กังวลที่ปัจจุบันใช่ไหมมันดงที่ปัจจุบันนะ่ะที่มันทุกข์ตอนนี้ก็ทุกข์ที่ปัจจุบันไม่ใช่ทุกข์ที่อนาคตไม่ใช่ทุกข์ที่อดีตนะ่นะะดองดูมันจะใมใหม่สดๆนะเป็นปัจจุบันนธรรมจริงๆหรืยลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะลงไปแล้วก็รู้ใหม่นะรู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอุบายในอุบายที่ช่วยแก้ แก้ปัญหาได้ดีอย่างหนึ่งนะคือความผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มน้อยๆเริ่มต้นนะให้เหมือนปรับให้ตัวเองผ่อนคลายกันปรับร่างกายให้ผ่อนคลายสบายปรับจิตใจให้สบายนะลองสังเกตต้องปรับร่างกายปรับการหายใจให้ให้เหมือนผ่อนคลายลองสังเกตดู หายใจสบายหรือยังนั่งสบายหรือยังใบหน้าไม่ถึงการวางหน้าการวางสายตามันมันพอดีหรือยังเราก็ดูเริ่มต้นเนี่นะจะพึ่งแบบเริ่มรีบยกมือนะนั่งให้นั่งให้ผ่อนคลายก่อนมันจะต่างจากบางทีถ้าเราคิดนั่งสมาธินะเราจะเหมือนนั่งให้มันเก่งก่อนนะนั่งให้กายมันเก่งให้มันนิ่งนั่งให้ใจมันนิ่งๆนะ แล้วก็ค่อยมาดูดมหายใจหรือบริกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่วิธีการฝึกสตินะนั่งเพื่อปรับร่างกายให้สบายทั้งการนั่งทั้งการหายใจทั้งการวางใบหน้าทั้งการวางสายตาเนาะแล้วก็มันก็กลับมาดูใจด้วยว่ามันมันเกรงมันกลัวมันคิดอะไรไม่นะก็ก็ดูตัว น, นี้ก่อน ถ้าเราเริ่มถูกนะนะต่อไปพอภาวนาไปพอยกไปอ่มันเริ่มเช่นตามันเริ่มเพ่งหายใจเริ่มอึดอัดเนะี่ยมันจะเห็นได้อ๋อตอนเติรนตอนเริ่มตอนแรกมันมันพอดีมันสบายละแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่สบายละมันจะทําให้เรารู้ตัวนะเมื่อเราจับอะไรแล้วมันพอดีอ่ะแล้วพอเราทำอะไรล้เราลืมตัวเช่นเราจับแน่นเกินไปอยู่นะ อ๋อจะรู้สึกตัวละมันแน่นเกินไปหรือตอนพูดเคยรู้สึกไหมบางทีบางคนจะมีจิตชอบอเวลาพูดนะ่ะจะเร่งเร่งพูดเร็วแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราพูดพูดเร็วะดื่มดืมฮะดื่มหยุดดืมว่างไปเพราะว่าความคิดหรือความรู้สึกมันมันเร่งเราให้ให้ต้องตีพูดเร็วๆเหมือนะ่ะพอเรารู้สึกอ๋อ มันผิดจังหวะแล้วเนี่ยเราก็จะผ่อนลงมายกมือก็เหมือนกันนะบางคนพอยกไปบางทีบางคนยกเร็วขึ้นบางทีเร็วเพราะฟุ้งก็มีนะคือจิตก็ฟุ้งเร็วก็วฟุ้งคือยกไปดื่มจังหวะหยุดหรือบางคนก็เร็วเพราะว่ามัาาานยกก็มันรู้แล้วก็มัน อ, อก็เลยเร็วเดินก็เหมือนกันนะคือเราต้องคือบางทีมันก็เราถ้าเราเห็นอ๋อมันมัน ผิดปกติไปเพราะอะไรหรือบางคนก็ช้าคืออะไรคิดอยู่ออหรือตัวอ่านยก ค, คิดอะไรก็ไม่รู้เลยนะ ล, ลืมคือถ้าเราเห็นว่ามันผิดผิดจังหวะไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันต้องจังหวะแบบเป็นมาตรฐานที่ต้องเดินแบบนี้ยกมือแบบนี้ตลอดเนาะการปรับคือปรับเพื่อแก้ไข บางสถาน ก, การเนี่ยปรับได้นะคือตั้งใจปรับง่วงตั้งใจอ่าตั้งใจทําให้มันสดชื่นขึ้นหรือบางทีก็ตั้งใจไม่ใช่รู้แต่ยกมือบางทีก็ตั้งใจหายใจให้มันให้มันลึกขึ้นเนี่ยนะนะหรือบางทีก็ตั้งใจขยับอย่างอื่นเสริมเข้าไปบ้างให้มันแบบเพิ่มเพิ่มอุบายให้มันรู้สึกตัวเนาะตั้งใจแบบนี้ได้นะ พ อ, พอมาเริ่มอยู่ตัวขึ้นก็ไม่ขยับอย่างอื่นก็เน้นแต่ตรงนี้ น, ะนี่คือหรือบางครั้งมันฟุ้งมากอางทีก็ตั้งใจหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดกบมาเริ่มสตาร์ทใหม่นะกลับมาห า, หาจุดเริ่มต้นใหม่มานั่งให้ผ่อนคลายรู้สึกตัวกับการหยุดก่อนนะเห็นร่างกายเขานั่งนะเห็นมือเขาอยู่แบบนี้ เห็นเรากำลังหายใจสบายๆอยู่เนี่ยกลับมาเริ่มแบบนี้นะไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ว่าการเริ่มใหม่คือเราต้องมานับหนึ่งใหม่นะแต่เหมือนเรามนเหมือนเรามามาดีเซตใหม่จิตที่มันฟุ้งไปจิตที่มันง่วงไปซึมไปก็มาเริ่มให้มันอยู่ทางสายกลางใหม่แบบนี้นะแล้วก็ทำใหม่ไม่ต้องรีบเกินไปนะคือบางคนแบบ ยกมือแบบนอนสต็อปมันนะนอนจะทําไปม่วงก็ยกไปคิดก็ยกไปแต่บางทีการหยุดช่วยแบบเนีน้ให้มันหยุดเรารู้สึกตัวเนาะขยับให้มันรู้สึกตัวเหมือนให้เราได้ตั้งดักใหม่ก่อนมองสบายๆก็ได้นะม อ, ง, องมามองสมมติมองผ น, นังแล้วมันไม่สบายก็มองต้นไม้บ้างอนะไรนีให้มัน คือเราก็รู้ตัวว่ารู้ตัวใจสายตามันมองใจก็มองอยู่นะก็รู้ให้มันมันก็รู้สึกตัวได้เนาะหาอุบายดูนะหาอุบายดูนะมันก็จะทําให้เราได้มีสตินะได้บ่อยขึ้นนะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ว่านะบางทีสติไม่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกแต่ร่างกายอย่างเดียว เมื่อมันดงไปเมื่อมันไม่รู้ตัวแล้วเราก็รู้ทันว่าเมื่อกี้มันไม่รู้ตัวอันนั้นก็มีสติเหมือนกันนะสติไม่ใช่รู้แต่มือที่พลิกหรือหรือการเดินเท่านั้นแต่พอมันมือมันพลิกไปใจมันคิดไปเรารู้ว่าโอ้เมื่อกี้มันเผลอไปคิดอันนั้นก็คือเรียกว่ามีสติเหมือนกันนะนะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึก แต่คำว่าใจคิดนึกบางทีไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องราวนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวแค่รู้ว่าใจมันเผลอไปคิดนะไม่ใช่ต้องไปรู้เรื่องราวเพราะบางทีถ้าพอเราไปให้ค่าที่เรื่องราวมันจะกลายเป็นเหมือนเรื่องนี้มันดีเรื่องนี้ไม่ดีนะแต่แค่รู้ว่าใจมันเผลอไปคิดเนะี่ยมันจะเท่ากันมันไม่ได้ไปให้ค่าว่าเรื่องมันดีหรือไม่ดีนะแต่ดูมันเนี้ยคือการเผลอไปอย่างหนึง่งเหมือนรู้กกายเคลื่อนไหวอะ จะพลิกจะยกจะหยุดมันก็ค่าเท่ากันหรือ <c oughs> อาการของกายนะดูแบบนนีะ้ดูฝึกแยกกายเคลื่อนก็อันนึงใจเคลื่อนก็อันหนึง่งสติที่รู้ก็อันหนึง่งนะดูเบนะีมันจะหาความเป็นเราได้ที่ไหนยังมีนะยังมีความเป็นเราที่รู้ <c oughs> มีความเป็นเราที่รู้นะมันจะมีตรงนี้อยู่บ้างนะอ่าแต่มันก็ให้มันแต่ถ้าเราฝึกไปทีละขณะมันจะเป็นมันก็จะเห็นความเป็นเรามันเกิดขึ้นทีละขณะนะเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวเราก็รู้นะแต่มันก็ความเป็นเราที่แท้จริงมันมันไม่มีนะก็ค่อยๆดูไป